ความหลอกลวงโดยทอเรียงพิบูรณ์จากหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มที่ส่ข้าพระเจ้าอยากจะพูดถึงเรื่องที่มีผู้ถามมาว่าทำไมคนเรารู้ดีรู้ชั่วแล้วยังทำชีวิตให้ตกต่ำเช่นรู้ว่ายาเสพติดให้โทษไม่ว่าจะเป็นเฮโร อ, อีนกัญชาบุหรี่ยาบ้ามีโทษแ ร, แรงทางสุขภาพร่างกายใครติดก็เท่ากับประหารชีวิตตัวเองแต่ก็ยังมีคนเอาชีวิตเข้าแลก อีกอย่างหนึ่งก็คือชาวโลกก็รู้ว่าพวกแดงเป็นพวกที่ชั่วร้ายอสัต์ชอบหลอกลวงไม่มีสัญญาอะไรแน่นอนจากพวกแดงใช้ระบบทาตรุนแรงกดขี่ประชาชนพลเมืองของตัวเองอย่างสาหัสถึงกับประชาชนพลเมืองทนไม่ไหวต้องดิ้นรนเสี่ยงกับความตายหนีภัยออกมาหาความอิสระแต่ก็ยังมีคนเห็นดีเห็นชอบด้วย ผู้ที่ถามมานี่คงนึกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตอบปัญหาและให้ความรู้ยกย่องเป็นครูอาจารย์ทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ละอายใจมาก ความจริงข้าพระเจ้ารู้ตัวดีว่าตัวเองมีความรู้แค่หางอึง่งไม่อยากให้ท่านเข้าใจผิดว่าเป็นผู้มีความสามารถเชี่ยวชาญตามที่เข้าใจบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองก็ยังแก้ไม่ค่อยตกขอให้ทราบว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงแต่นักสะสมของเก่าและของใหม่แต่ไม่ใช่เล่นเครื่องลายครามหรือนักสะสมเล่นสเตมเพื่อความเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่ง ข้าพเ้าเป็นเพียงแต่นักสะสมเรื่องเก่าและใหม่ที่มีคติธรรมตัวอย่างดีและชั่วเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อจะนำมาเล่าให้ลูกหลานฟังและอนุชนรุ่นหลังฟังเล่นๆ เ, เท่านั้นปกติเด็กก็ชอบนิทานอยู่แล้วเล่าเรื่องชีวิตที่เป็นสาระเกิดผลทางใจก็คงจะมีประโยชน์อยู่บ้าง เรื่องแรกก็พอมีตัวอย่างที่รู้พอจะเล่าให้ฟังเพื่อจะได้พิจารณาดูเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อจะให้รู้เหตุผลอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่างงมงายที่เขาหลอกลวงโดยเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วหลายปี มีอยู่วันหนึ่งยายแม่ครัวที่บ้านข้าพเจ้ากลับจากจ่ายกับข้าวที่ตลาดมากระซิบกระซาบให้คนในบ้านฟังว่าลูกสาวเยซิมร้านขายยาที่ตลาดหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ถูกปั่นหัวโดยการโฆษณาเงียบแอบกระซิบว่าเวลานี้ทางแผ่นดินใหญ่แดงกำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปมากมีโรงงานทั่วทั้งประเทศมีมหาวิทยาลัยใหญ่โตหลายแห่งบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ผู้คนอยู่ดีกินดีทุกคน ใครอยากไปเล่าเรียนศึกษาในมหาวิทยาลายัยจะเรียนอะไรก็ได้วิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์หรือการแพทย์หรือการเมืองการค้ามีทุกอย่างรัฐบาลมีความยินดีคอยต้อนรับชาวจีนที่อยู่พ้นทะเลให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยรัฐบาลออกให้หมดทุกอย่างตลอดทั้งเครื่องนุ่งห่มและอาหารการกินที่อยู่หลับนอนอย่างสุขสบายโดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยเฉพาะคนจีนที่ไปจากเมืองไทยจะได้สิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเมื่อไปถึงก็จะได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยทันทีทุกคนการโฆษณาลับๆแบบกระซิบนี้ได้ผลมากเพราะสิ่งใดเป็นความลับยิ่งลับก็ยิ่งมีคนสนใจอยากรู้มากขึ้นรู้สึกว่าจะเป็นนิสัยของคนส่วนมากยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเมื่อรู้แล้วก็เชื่อ ถ้าได้ใช้สติปัญญาหาเหตุผลก็คงรู้ว่าการเข้ามาหาวิทยาลัยได้ง่ายๆโดยไม่เลือกผู้มีความรู้สูงต่ำเพียงรายยังไม่เคยมีในประเทศใดปฏิบัติเท่าที่ได้รู้การโฆษณาเงียบโดยไม่มีเหตุผลเหมือนเชื้อโรคติดต่อลุกลามไปได้ไกลยอย่างรวดเร็วทำให้ผู้เยาว์วัยอ่อนความคิดเอาแต่อารมณ์ตัวเองฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้มหลงไหลนึกเห็นปว่าแผ่นดินใหญ่เป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ ผลก็คือทำให้พวกหมวยสาวเสียหนุ่มวัยรุ่นลูกจีนที่เกิดในประเทศไทยฝังจิตฝังใจหลับหูหลับตาเชื่อว่าความเป็นจริงอย่างงมงายขาดความกระตันยูรู้คุณบิดามารดาบังเกิดกล้าวมองเห็นพ่อแม่เป็นคนล้าสมัยโบราณหมดความเคารพนับถือเพราะคอยขัดขวางไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยไม่ยอมตามใจตนที่หลงไหลไฝ่ายฝันอยากจะเดินทางไปเข้ามาหาวิทยายลัยแดงแทบจะเป็นบ้าเป็นหลัง ฝันถึงแต่ความสุขความสบายในอนาคตที่แจ่มใสยอย่างลมๆแแ้งๆไม่ยอมนึกถึงจิตใจว่าพ่อแม่มีความรักมีความเป็นห่วงยอมให้ไปหรือไม่ยายแม่ครัวไปจ่ายตลาดถ้าไม่แวะยยซิมจะวิ่งออกมารองเรียกให้เข้าไปในร้านแล้วตัวแก่ก็จะหยุดขายของหน้าร้านปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างและเท่าแกผู้เป็นสามีช่วยกันหยิบของขายแล้วแกก็จะจูงมือยายแม่ครัวเข้าไปนั่งหลังร้าน ที่ไม่มีคนผลุกพลานแล้วก็ปรับทุกข์ระบายความคับใจในเรื่องของลูกสาวลูกชายแวดรุ่นให้ฟังเล่าพลางร้องไห้พลางน่าสงสารว่าเวลานี้เราเลี้ยงลูกได้แต่ตัวไม่สามารถจะบังคับตักเตือนสั่งสอนเขามันไม่ยอมฟังคำเราเลยมันไปฟังไปเชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ของมันมันไม่เคยคิดเลยว่าใครจะหวังดีกับมันเหมือนพ่อกับแม่เชื่อไอ้พวกหลอกลวงอย่างงมงายฉันคิดแล้วก็น้อยใจจริงๆ ถ้าไม่นึกว่าจะเลี้ยงลูกมาจนโตกลับมาเป็นควายให้คนอื่นเขาจูงจมูกหลงลมปากเห็นจริงเห็นจังทุกอย่างไปมันเจ็บใจจริงๆเวลาพวกมันมากระซิบกระซาบกันมันไม่พูดดังกลัวเรารู้แล้วเราจะขัดคอเยซิมเล่าตอนนี้แล้วก็สะอกสะอื้นมากขึ้นอยแม่ครัวก็สงสารพูดปลอบโยนแกว่าเมื่อเขาไม่นับถือเชื่อฟังเราก็หักใจซะบ้างอย่ามัวไปรักเขาข้างเดียวทาไม ย่าซิมร้องไห้แล้วบอกว่าดิฉันก็คิดจะหักใจเหมือนกันนะป้าเพราะว่ามันเกิดมาดีชั่วก็เป็นลูกของเราฉันใจไม่แข็งเหมือนลูกมันตัดพ่อตัดแม่ได้แต่พ่อแม่เนี่ยตัดลูกไม่ได้จริงๆฉันนอนไม่หลับกินไม่ได้มาหลายวันแล้วมันก็ไม่สนใจเหมือนฉันไม่ใช่แม่ที่เลี้ยงดูมันมาจนเติบโตทั้งพี่ทั้งน้องยัยแม่ครัวเล่าปลอบต่อไปบอกว่าปล่อยให้เขาเรียนรู้เองสักพักหนึ่งพอพวกเขาเหล่านั้น ได้รับความลำบากก็จะรู้เองแหละว่าเขาหลอกลวงก็คงจะนึกถึงพ่อแม่ได้เยสิมเช็ดน้ำตาแล้วก็พูดว่าปล่อยไม่ได้หรอกป้ามันบอกจะไปแผ่นดินใหญ่ทั้งพี่ทั้งน้องพูดแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นพลางพูดต่อไปฉันรู้ดีถ้าไปที่โน่นแล้วก็ไม่มีหวังจะได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกเหมือนตายจากกันไปพูดเท่าไหร่บอกเท่าไหร่อธิบายยังไงมันก็ไม่เชื่อมันงมงายฝังหัวมัน ช้ำใจจริงๆเลี้ยงลูกในเวลานี้ไม่เหมือนสมัยก่อนพวกเราเนี่ยอยู่ในโอวาทพ่อแม่ต่อจากนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ข่าวยากยายแม่ครัวแต่ได้ทราบข่าวทางหนังสือพิมพ์ลงข่าวพวกวัยรุ่นพากันเดินทางไปแผ่นดินใหญ่โดยทางเรือเดินทางทะเลและก็มีคนไปสังเกตการที่ท่าเรือพวกแม่แม่ทั้งหลายพากันไปร้องไห้อาลัยรักลูกๆที่บนเรือแต่พวกวัยรุ่นเหล่านั้น แทนที่จะเห็นใจพ่อแม่กลับหัวเราะคุยเล่นกับพวกเพื่อนๆอย่างสนุกสนานไม่สนใจในความห่วงใยของแม่คล้ายจะเห็นแม่ของตัวเองเนี่ยเป็นลาแก่ๆที่ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ความรำคาญใจมาให้แม้แต่แม่ร้องไห้เห็นเป็นการขบขันผู้ที่ไปเห็นเหตุการณ์มาแล้วก็เศร้าใจแต่ข้าพเจ้าคิดเอาเองว่าบุตรสาวบุตรชายของเยซิมคงเดินทางไปพร้อมกันในเที่ยวเรือ น, นั้นด้วย ต่อจากนั้นข้าพระเจ้าก็ไม่เห็นยาแม่ครัวนำข่าวจากตลาดมาเล่าให้ฟังอีกคิดว่าเหตุการณ์คงจะลงเอ่ยเพียงแค่นี้จนเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นปีปมีอยู่วันหนึ่งก็มีข่าวตื่นเต้นซึ่งยาแม่ครัวรับข่าวมาจากเยซิมที่ตลาดเล่าให้ฟังว่า วันนี้เยซิมแกเรียกเข้าไปหลังร้านบอกว่าได้รับจดหมายจากลูกสาวแอบฝากพวกที่หลบนี้มาจากแผ่นดินใหญ่แล้วส่งมาทางไปรษณีย์จากฮ่องกงถึงแกลูกสาวรำพันในจดหมายเล่าถึงความทุกข์ยากลําบากแสนสาหัสให้แกฟังตอนหนึ่งมิใจความว่าพ่อหนูไปถึงแผ่นดินใหญ่เหตุการณ์ที่นึกฝันไว้ว่าจะได้รับความดูแลอย่างสุขสบายตามที่ตัวแทนรับรองในเมืองไทยก่อนจะออกเดินทางก็พังทลายลง เหตุการณ์ต่า ง, างๆที่เขาโฆษณานเงียบแบบกระซิบเมื่ออยู่ที่เมืองไทยนั้นตรงกันข้ามหมดพลเมืองที่แผ่นดินใหญ่เห็นมีแต่หน้าเศร้าๆยิ้มไม่ออกเป็นส่วนมากทุกคนทำงานหนะักจึงจะมีข้าวกินแต่อาหารไม่พออิ่มท้องที่อยู่ที่นอนเหมือนรังหนูไม่ได้เจริญรุ่งเรืองอย่างว่าตัวลูกสาวเยซิมก็มีเวลาเรียนวันหนึ่งเพียงสองชั่วโมงแต่ไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยเรียนแพทย์หรือวิชาอื่นๆ เขาบังคับให้เรียนเกี่ยวกับเปลี่ยนจิตใจให้เป็นแดงนอกนั้นตัวเองก็ต้องทํางานแลกอาหารมื้อหนึ่ ง, งพอกันตายไปเท่านั้นไม่มีอนาคตไม่มีอิสระพอมีแขกพวกเมืองแดงด้วยกันมาเยี่ยมตัวลูกสาวของเยซิมหน้าตาหมดจดก็ถูกเกณฑ์ น, นำไปเป็นเครื่องสังเวยเป็นเครื่องเล่นบํารุงบําเรอความสุขของพวกแขกล้วนแต่ขาดความสุภาพเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าพี่ชายหรือน้องชายข้าพาเจ้าลืมซะแล้ว ต้องถูกแยกออกไปทำงานที่อื่นจะเป็นตายร้ายดีไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเลยที่นั่นมันตายกันง่ายๆเพียงแต่ข้อหาว่าทรยศเท่านั้นลูกสาวเยซิมแกบอกว่าแกต้องนอนร้องไห้ตลอดคืนคิดถึงแต่เมืองไทยคิดถึงความสุขความสบายที่เคยได้รับคิดถึงอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ที่เมืองไทยคิดถึงคำตักเตือนของพ่อแม่เวลานี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ คิดแต่จะหลบหนีเพราะคิดถึงบ้านใจจะขาดแต่ไม่รู้ว่าจะหลบหนีได้อย่างไรการหลบหนีก็ต้องเสี่ยงกับความตายถ้าเขาจับได้ว่าคิดจะหลบหนีมันก็จะต้องทำการทารุณจนตายที่หนีรอดพ้นไปที่ฮ่องกงได้ก็นับว่าเป็นคนโชคดีรอดตายเป็นอิสระเพราะพวกหนีไม่พ้นก็ถูกทารุณแต่ก็มีคนหนีกันเสมอพวกนี้เขาคิดว่าหนีไปหาความอิสระหรือมิฉนั้นก็ตายซะดีกว่า จะเป็นทาตุแรงงานที่คอยถูกกดขี่ข่มเหงไม่มีวันสิ้นสุดไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองแม้จะเป็นขอทานที่ฮ่องกงก็มีความสุขสบายเหมือนสวงสวรรค์ผิดกับนรกบนดินแผ่นดินใหญ่เยซิมหายร้องไห้มานานหลายปีพอได้รับข่าวจากลูกสาวก็ร้องไห้สงสารลูกอีกนี่พ่อแม่ตัดลูกไม่ขาดนี่ถ้าลูกไปรับสุขอย่างที่เขาโฆษณาก็คงจะลืมพ่อลืมแม่ลืมบ้านเมืองที่ให้ความอบอุ่นสุขสบาย เมื่อไปได้รับความลำบากทุกยากแสนสาหัสหวนกลับมาคิดถึงพ่อแม่และเมืองไทยนึกถึงคำตักเตือนของพ่อแม่นึกถึงความรักอันอบอุ่นสูงสุดของพ่อแม่ในโลกนี้เห็นจะไม่มีความรักใคร่เอ็นดูลูกเท่าพ่อกับแม่รักลูกเมื่อลูกร้องไห้พ่อแม่ก็จะปลอบโยนเช็ดน้าตาให้ความทุกข์ของลูกก็เหมือนความทุกข์ของพ่อแม่จะไม่มีการหลอกลวงทารุณเกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นอันขาด นี่ก็เข้าได้กับกฎแห่งกรรมทําให้ข้าพเจ้านึกถึงข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ว่าพวกพลเมืองเยอรมันตะวันออกแดงได้ขุดอุโมงหนีรอดข้ามเขตออกสู่เยอรมันตะวันตกได้เป็นจํานวนมากแต่ก็ได้เสียชีวิตลงบ้างเพราะถูกพวกแดงฆ่าความพยายามดิ้นรนของเยอรมันในเขตตะวันออกที่ต้องดิ้นรนเสี่ยงชีวิตหนีออกจากสถานที่ทารุณกรรมมีเพียงแค่สองประตูเท่านั้นโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันหนีรอดหรือตายเท่านั้น การหนีมานับแต่พวกแดงเข้าแบ่งเขตดินแดนตะวันออกและตะวันตกตลอดมาแล้วหวนนึกถึงพวกยวนในประเทศไทยที่ขออพยพกลับไปอยู่กับยวนแดงข้าพเจ้าก็คิดไม่ได้ว่าคงจะโดนโฆษณาเงียบแบบกระซิบจึงพากันหลงไหลฝ่ายฝันถึงความสุขที่ได้รับจากรัฐบาลแดงมองเห็นเช่นเดียวกับหนุ่มสาวลูกจีนในกรุงเทพและยวนใต้มีโฆษณาเชิญชวนหลอกลวงเพราะว่าเป็นเมืองอิสระเสรี ต่อมายายแม่ครัวขอลาออกจากบ้านข้าพเจ้าเดิมแกตั้งใจจะฝากผีฝากไท้เพราะอยู่กันมานานจนรู้ใจแต่แล้วก็ตัดสินใจลาออกเหตุเพราะลูกชายซึ่งบัดนี้เป็นหลักเป็นฐานแล้วมาขอรับตัวไปเลี้ยงดูให้มีความสุขลูกชายแกเคยมาอ้อนวอนขอรับไปอยู่ด้วยหลายครั้งแล้วแต่ว่าแกไม่ยอมไป แต่ว่าคราวนี้หลังที่แกตกลงใจจะไปอยู่ด้วยเห็นจะเป็นเพราะว่าแกภูมิใจที่ลูกของแกยังมีความกระตันยูรู้บุญคุณไม่เหมือนลูกของเยซิมที่ตลาด หรือแกก็จะกลัวลูกชายไปดวนโฆษณาเงียบจึงรีบไปป้องกันซะก่อนจะสายเกินไปข้าพเจ้ากระเดาไม่ถูกต่อจากนั้นก็สูญสิ้นการได้ทราบข่าวเรื่องลูกสาวลูกชายเยซิมต่อไปส่วนร้านค้าของเยซิมนั้นก็ไม่รู้ว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนเพราะร้านเก่าแก่ที่แกอยู่มานานก็ถูกรือ้อปลูกตึกสร้างตลาดใหม่เรื่องนี้จะเท็จจริงอย่างไรข้าพเจ้าเพียงแต่ได้เรื่องมาจากยายแม่ครัวกับยายซิมที่ตลาด ครั้งละเล็กครั้งละน้อยเป็นเวลานานหลายปีประติดประต่อการประกอบขึ้นขอฝากไว้ให้อยู่ในความพิจารณาในความรู้สึกของท่านนึกเอาการที่ข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ บางทีจะเป็นเรื่องเตือนใจเยาวชนของชาติจะได้มีโอกาสใช้สติปัญญาพิจารณาเหตุผลก่อนที่จะถูกลวงพอมีเวลาที่จะยับยั้งชั่งใจอย่าเชื่ออะไรทำอะไรลงไปตามอารมณ์อย่างงมงายให้สมกับเราอยู่ในพระพุทธศาสนารับพระธรรมเป็นที่พึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆแม้แต่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนก็ให้พิจารณาด้วยสติปัญญาหาเหตุผล เมื่อเห็นว่ากระจ่างแจ้งปราศจากข้อสงสัยใดๆแล้วจึงค่อยเชื่อเป็นความไม่ประมาทเปรียบเทียบภัยในท้องถนนปัจจุบันคนข้ามถนนทางม้าลายถ้าผู้ข้ามไม่ประมาทย่อมจะหยุดมองดูทั้งทางซ้ายและทางขวาเมื่อเห็นปลอดภัยไม่มีรถผ่านมาในระยะใกล้เราจึงเดินข้าม ถ้เห็นรถวิ่งไปมาขวักควายเราก็หยุดรอแม้จะช้าหรือว่าเสียเวลาสักหน่อยก็ดีกว่าที่จะวิ่งข้ามโดยเสี่ยงภยัยผู้มีสติไม่ประมาทย่อมจะปลอดภัยเสมอผิดกับผู้ประมาณเวลาข้ามถนนไม่ดูซ้ายไม่ดูขวาเหมือนคนไม่มีสติอยากข้ามก็ข้ามอยากวิ่งก็วิ่งความประมาททําให้ถูกรถชนบาดเจ็บหรือจบชีวิตลงด้วยความประมาทเช่นเดียวกันกับในเรื่องความหลอกลวง